พรมวิเศษนานมามากแล้วในเมืองชื่อแอมเบอร์มีเจ้าชายอดัมอาศัยอยู่เขาเป็นนักปกครองที่ดีและเป็นที่รักของทุกคนเขาไม่กลัวอะไรและเป็นคนใจกว้างประชาชนเมืองแอมเบอร์รักเจ้าชายกับเขาคร <c oughs> ั้นน่ <c oughs> เขาต้องไปอีกเมืองนึ่ง <c oughs> เขาเดินทางผ่านป่าเจ้าชายอดัมได้แยกออกจากทหารของเขา หลังจะขี่ม้าไปสักพักอดัมตัดสินใจที่จะพักใต้ต้นไม้ <Carlo. S 1> เขารู้สึกหิวจึงหยิบขนมปังขึ้นมาจากกระสอบแล้วก็หักชิ้นแรกเขาเห็นมดเดินออกมาอดัมจึงนำขนมปังวางลงและหยิบชิ้นใหม่และก็มีมดสองตัวเดินออกมาจากขนมปงังเขาวางขนมปังลงอีกครั้ง และชิมที่สามเขาก็เจอมดสามตัวจนเขาได้สังเกตว่ามดได้กินอาหารของเขาทั้งหมดแต่แทนที่เขาจะโกรธเขากลับยิ้มฮ <c oughs> บางทีพวกนายอาจต้องการอาหารมากกว่าฉันก็ได้เอาไปเธอกินให้อร่อยเลยนะโอ้คุณช่างมีน้ำใจฮะ <c oughs> นายพูดได้ด้วยเหรอฮฮฮ ใช่ฉันพูดได้ฉันน่ะเป็นราชาของมดพวกนี้ขอบุณมากที่ให้อาหารกับพวกเราจะให้ฉันทำอะไรตอบแทนเล่าโอ้ฟาบาดฉันมีทุกอย่างแล้วล่ะความจริงฉันมีทุกอย่างมากกว่าที่ฉันต้องการแต่ว่านายนะ่ะขาดอยู่อย่างหนึ่งนะนั่นก็คือโชคชะตาของนายโชคชะตางั้นเหรอเจ้าหญิงลาลัน งานกล่าวว่าคนใจกว้างเท่านั้นที่จะแต่งงานกับเธอได้หัวใจฉันบอกว่าคนคนนั้นคือนายนายจะต้องการฉันเมื่อนายเจอเธอดังนั้นสิ่งที่นายต้องทําก็คือหาพวกมดและถามว่าจะเจอฉันได้ที่ไหนฉันจะมาหานายเองแน่นอนแต่ว่าเอฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพียงแค่ทําตามหัวใจเพื่อนด้วยความสงสัย แต่อาดามก็ขี่ม้าและเดินทางต่อไกลออกไปไม่เท่าไรเขาเห็นเสือร้องไห้อยู่ที่เท้าของมันมีหนามติดอาดามไม่กลัวที่จะช่วยเสือขอบคุณมากใจฉันทําอะไรตอบแทนเหรนายก็พูดได้ด้วยเหรอเนี่ยฉันเพิ่งเจอมดพูดได้ดูเหมือนว่านายเพิ่งเจอราชามดบอกฉันมาสิว่านายกำลังจะไปไหน ฉันคิดว่าฉันต้องตามหาเจ้าหญิงลาลูนตำนานกล่าวว่าฮีโร่ที่จิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะแต่งงานกับเธอได้ฉันเชื่อในตัวนายเพื่อนเจ้าหญิงที่นายตามหาน่อาศัยอยู่ในป่าอีกเจ็ป่าถัดไปและอยู่บนภูเขาแล้วฉันจะไปที่นั่นได้ยังไงทัดไปทางขวามือนายนายจะเจอกับชายแก่บอกเขาว่านายเจอฉัน และราชามดแล้วเขาก็จะให้ทุกอย่างกับนายเพื่อที่จะตามหาเจ้าหญิงฟังนะนายต้องการฉันเพื่อจะทําให้ทุกอย่างสําเร็จและสิ่งที่นายต้องทําคือถามต้นไม้ให้ตามหาฉันและฉันก็จะมาหานายด้วยความสับสนอดามขอบคุณเสือและจากไปเพื่อไปหาชายแก่ตามคําพูดของเสือชายแก่ได้ถูกเจออยู่ใต้ต้นไม้ และพร้มวิเศษอยู่ด้านหน้าเขาอดัมบอกชายแก่ว่าเขาพบเสือและราชามดชายแก่จ้องตาอดัมและยิ้มอ๋อตำนานเป็นจริงเอ้านี่เอาพร้มนี่ไปนี่คือพร้มวิเศษปู ล, ลงบนพื้นและบอกว่าจะไปที่ไหนมันจะพานายไปทุกที่ที่นายอยากไป และนี่ก็คือชามหินมันจะให้น้ําน้ยทุกครั้งที่นายต้องการนายต้องการของทุกอย่างนี้เพื่อจะได้เจอเจ้าหญิงลาลูนอนดัมทิ้งมาไว้กับชายแก่แล้วบินออกไปพร้อมกับชามหินและพรมวิเศษพรมวิเศษพาอดัมไปถึงอาณาจักรของเจ้าหญิงลาลูนมันเป็นเวลามืดและเขาต้องการพักผ่อน ก่อนจะเข้าไปที่วางตอนเช้าพรุ่งนี้ท่านใดนั้นเขาก็ได้ยินบางอย่างโอ้ยฉันเดินไม่ได้โอ้ท่านท่านเป็นอะไรไหมคือขาฉันเจ็บฉันอยู่ไกลจากที่นี่แต่ว่าฉันเดินไม่ได้และตอนนี้ฉันก็หิวน้ำมาอดัม คอน้ำจากชามหินและป้อนน้ำให้กับเขาและจากนั้นก็ช่วยพาชายแก่กลับบ้านโอ้ขอบคุณมากนะลูกแ่ เ, เดี๋ยวก่อนนายไม่ได้มาจากเมืองนี้นี่นายเป็นใครผมชื่ออดัมผมมาที่นี่เพื่อเจ้าหญิงลาลูนเจ้าหญิงลาลูนอ๋อท่านรู้ได้ยังไงกัน นายไมาใช่คนแรกหรอกหลายคนมาแล้วก็อยากจะลองแต่ก็ผิดหวังอย่างน่าเศร้าพระราชาเบื่อคนต่างเมืองพวกนี้จึงสั่งให้ห้ามเข้าบาในอนาจจากนี้ตลอดชีวิตไม่มีใครที่นี่สามารถให้คนต่างเมืองพักอาศัยได้ฉันไม่สามารถให้นายพักได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวเลยลผมเข้าใจผมจะไม่ทําให้ท่านมีปัญหาหรอกผมจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะ เมื่อเจ้าชายออกมามันมีแสงสว่างผ่านเข้ามาที่หน้าต่างทั้งเมืองส่องแสงเหมือนดาวอยู่เหนือโลกอดัมรีบวิ่งออกมาบ้านของชายแก่อยู่ใกล้กลับวงังอดัมมองเห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงสวยใส่ชุดสีขาวสว่างได้เดินมาที่ระเบียงเธอดูเปล่งปลั่งและบริสุทธิ์ผู้หญิงคนนั้นลืมตา และเห็นอดัมมันคือรักแรกพบพวกเขาจ้องตากันแต่หลังจากนั้นเธอก็เศร้าและหลับตาลงและนั่งลงตรงระเบียงอดัมอยากให้เธอลืมตาเห็นเขาอีกครั้งแต่เธอก็ไม่ได้ลืมตาอีกเธอจะไม่ลืมตาอีกหรอกเข้ามาข้างในนี่เธอลูกเอ้ยเธอเป็นใคร ทำไมเธอถึงไม่ลืมตาอีกออแล้วทำไมเธอถึงดูเศร้ามากโอโหโหโห้เธอก็คือเจ้าหญิงที่ไานตามหาและเธอเศร้าเพราะเธอร้อให้ตำนานเป็นความจริงนะตำนานอะไรเหรอที่ทุกคนกล่าวถึงมันเจ้าหญิงลาลูนะ่ะไม่ใช่เจ้าหญิงธรรมดา นรู้ไหมว่าทำไมเราถึงไม่มีไฟในเมืองนี้ก็เพราะว่าเจ้าหญิงจะส่องแสงสว่างในเมืองจนถึงเที่ยงคืนตอนที่เธอเกิดนะเธอสวยมากนางฟ้าได้ให้พรเธอให้ส่องแสงสว่างมากกว่าพระจันทร์ทุกคืนเธอกระส่องแสงทั่วท้องฟ้าและโลกแต่พรของเธอนะ่ะทำให้เธอกลายเป็นคำสาบ ชายหลายคนพยายามจะเข้ามาทำลายเมืองและพาตัวเจ้าหญิงไปนางฟังกล่าวว่าชายที่สามารถผ่านสามด่านได้สำเร็จ mm. ก็จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแล้วด่านพวกนั้นคืออะไรหรอด่านแรกคือเอาน้ำมันแปริปอนจากเมล็ดมัสตาร์ดด่านที่สองต้องสู้กับ ปีศาจและดานที่สามต้องไปตีกลองบนภูเขาที่สูงที่สุดเตือนไว้ก่อนนะภูเขาสูงมากเกือบจะถึงสวรรค์เลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนกองทัพมดสามารถบีบน้ำมัน80ปอนได้จากเมล็ดมัสตาร์ดเสือและฉันสามารถสู้กับปีศาจได้ในครั้งเดียวและกลองกลองบนภูเขานั่น พรมวิเศษก็สามารถพาฉันไปได้เจ้าชายอดัมได้ตัดสินใจหลังจากที่เขาส่งข่าวไปให้ต้นไม้กับมดเขาก็จะยอมให้ทหารคุมตัวเขาเขารูว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะได้เจอกับเจ้าหญิงและไม่นำปัญหามาให้กับชายแก่ในปราสาทเจ้าชายอดัมเห็นเจ้าหญิงลาลูน เธอไม่ได้ส่องสว่างเหมือนกับเมื่อคืนก่อนแต่เธอสวยมากกล้าดียังไงที่เข้าเมืองฉันหมอฉันไม่รู้จักชื่อนายด้วยซ้ำเอาไปขังในคุกเดี๋ยวนี้เลยไม่เดี๋ยวก่อนท่านพ่อลูกได้ตกลุ่มรักกับชายแปลกหน้านี้ถ้าท่านพ่อจะอนุญาตให้ลูกได้แต่งงานกับเขา หากเขาต้องการเช่นนั้นแต่งแต่งซี่ให้ตอบกี่ครั้งก็ต้องแต่งแน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครขอโทษที่ขัดจังหวะนะครับฝ่าบาทแต่ผมคือเจ้าชาย<อ>เจ้าชายอดัมแห่งเมืองแอมเบอร์นายจะแต่งงานกับลูกสาวฉันไม่ได้หรอกนายต้องผ่านด่านให้ได้สมด่านซะก่อนผมทราบเรื่องตำนานดี และผมพร้อมจะผ่านด่านร้อยด่านเพื่อแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมรักพระราชาอธิบายด่านแรกเจ้าชายอาดามฟังและยอมรับด้วยรอยยิ้มเขาออกจากวังไปและสัญญาจะกลับมาพร้อมน้ำมันเป็นตันคืนนั้นในบ้านพักแขกอาดามมีคนมาเยี่ยมนั่นคือราชามดและกองทัพของเขา มดทุกตัวทำงานจนเช้ามเมล็ดทุกมเมล็ดถูกบดลงน้ำมันถูกส่งไปที่หวังพระราชาตกใจและเริ่มมีความหวังบางทีชายคนนี้คือคนที่จะต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาแล้วเขาก็อธิบายดานต่อไปตอนบ่ายการต่อสู้กันกับอดัมและปีศาจสองตัวได้จัดขึ้น แต่แทนที่อาดัมจะขึ้นสู้คนเดียวอาดัมเดินมากับเพื่อนเขาที่เขียนข่าเสือเพื่อนของเขาการสู้ในการทำให้เขาชนะปีศาจเสือโค้งคำนับและเดินจากไปพระราชามีความสุขมากกับลูกเขยในอนาคตของเขาแล้วเขาก็อธิบายดานต่อไปแต่ว่าภูเขาสูงมากนะลูกชายนายจะไปที่นั่นได้ยังไงกัน ไม่ต้องเป็นห่วงเลยฝาบาทผมจะไม่เป็นไรแน่อดัมนำพรหมวิเศษวางลงต่อหน้าทุกคนเขาบินไปในท้องฟ้าและทุกคนก็โบกมือลาหลายชั่วโมงผ่านไปแต่ไม่มีใครรู้เรื่องของอดัมผลทั้งเมืองเริ่มเป็นห่วงทันใด น, นั้นก็ได้ยินเสียงจากท้องฟ้าเหมือนเสียงฟ้าผ่า มันคือเสียงกล่องอดัมได้ไปถึงยอดเขาและตีกล่องไม่กี่ชั่วโมงอดัมก็ได้บินลงมาบนพรมวิเศษของเขาคนทั้งเมืองดีใจที่จะได้เจ้าชายแล้วตำนานเป็นจริงนายเป็นคนทิ่ใจกว่าและจิตใจช่างบริสุทธิ์นักเป็นเกียรติมาก ที่ฉันจะมอบลูกสาวให้กับนายเป็นเกียรติมากครับที่ได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านเจ้าชายอดัมได้แสดงความกล้าหาญและความใจกว้างเพื่อที่จะแสดงความรักให้กับคนที่เขารักสุดหัวใจเจ้าหญิงลาลูนพวกเขาปกครองเมืองแอมเบอร์ด้วยความรักและกล้าหาญและอยู่ด้วยกันยังมีความสุข